เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกท่ททททานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5งยเป็นวันพระวันธรรมศรีวันฟังธรรมวันที่สาธุชน พุทธบาลสัตว์ผู้มีความแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสง์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติเสริมสร้างบุญกุศลให้แก่ชีวิตจิตใจเพราะบุญกุศลเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญ บุญนี้แปลว่าความสุขใจกุศลนี้แปลว่าความฉลาดคนเราจะมีความสุขใจได้ต้องทําบุญเช่นให้ทานรักษาศีลแล้ก็ภาวนาคนเราจะเจริญได้ต้องมีกุศลคือมีความฉลาดมีความรู้คนที่จะมีความรู้ได้ ต้องศึกษาต้องฝ่ายรู้ต้องฟังเทศฟังธรรมฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคําสอนของนักปราชญ์ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่จะพาให้ไปสู่ความสุขที่ความเจริญที่แท้จริงความรู้ต่างๆในโลกนี้ ไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามระดับปฐมระดับมัธยมระดับปริญญาตรีโทเองความรู้แบบนี้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่แท้จริงเพราะเป็นความรู้ชนิดท่วมหัวเอาตัวไม่รอดทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าคนที่มีความรู้ทางโลกแม้จะได้ระดับปริญญาเอง ก็ยังเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดจากความทุกข์ไม่รอดจากความเวียนว่ายตายเกิดจนะึงถือว่ายังไม่ได้เป็นความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่แท้จริงต้องพาผู้รู้ให้ไปสู่การพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้สามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจาก ความพัดพลากจากสิ่งที่ร้างไปความพัดพลากจากของที่ชอบไปหรือความแก่ความเจ็บความตายหรือการไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น <c oughs> ที่จะสามารถสอนให้อยู่เหนือความทุกข์ ชนิดต่างๆได้สอนให้เป็นคนดีเป็นคนที่น่าเคารพเลื่อมใสได้ความรู้ทางโลกนี้ไม่สามารถทำได้คนที่จบปริญญาเอกยังสามารถไปทำบาป ท, ทำกรรมได้ยังสามารถทำในสิ่งที่เสื่อมเสียสร้างโทษสร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่นได้ยังทำตัวให้เป็นที่ ตำหนิตีเตียนก็ไล่หาเนินทาได้คนจบปริญญาเองอยังติดคุกติดตารางได้เพราะความรู้ทางด้านปริญญานี้ไม่ได้มาสอนถึงการประพฤติการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ควรนั่นเองมีคำสอนของพระพุทธเจ้าทท้งนั้นที่ทรงสอนให้เรารู้จัก ดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขและความเจริญความแคล้วคลาดจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นขอให้เรามาสนใจศึกษาความรู้ทาง พ, พุทธศาสนากันดีกว่าอย่าไปคิดว่าเป็นคําสอนหรือเป็นความรู้ที่ล้าสมัยกลัวว่าถ้าเรียนรู้ทางพพุทธศาสนาแล้ว จะทำให้ไม่ทันโลกจะทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้เราต้องมอง ก, ก่อนว่าเรากำลังแข่งขันอะไรกันเรากำลังแข่งขันกับเรื่องความโลภความโกรธความหลงกันใช่ไหมเรากำลังแข่งขันกับการสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเรากันใช่ไหมทุกวันนี้โลกเหล่านี้รุ่มร้อนด้วยความทุกข์ด้วยความวุ่นวายใจ เพราะเกิดจากการแข่งขันการสร้างความทุกข์สร้างความรุ่มร้อนใจนั่นเองถ้าเรายังมีความโลภมีความอยากได้ในวัตถุต่างๆยังอยากร่ารวยอยากได้รับการสรรเสริญยกย่องยังอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ยังอยากได้เ ส, สพสัมผัสกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็ แสดงว่าเรากำลังแข่งขันสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราเพราะสิ่งต่างๆที่เรากำลังแสวงหากันคือลากรถสารเสริญสุขนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เรามีความสุขแต่กลับจะทำให้เรามีความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปดังนั้นเราไม่ต้องไปแข่งขันกับการแข่งขันแบบนี้ เพราะเป็นการแข่งขันเข้าหากองทุกขนั่นเองเราต้องแข่งขันแบบออกจากกองทุกขแข่งขันแบบพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกท่านแข่งขันให้ออกจากกองทุ ก, กันท่านมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานกันท่านมุ่งไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันแล้วก็มีความรู้ของพระพุทธเจ้า เท่านั้นที่จะพาให้เราออกจากกองทุกข์ได้พาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงได้ <c oughs> เราจึงควรหันมาสนใจศึกษากับความรู้ทางพระพุทธศาสนาดีกว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนความรู้อยู่เจดหัวข้อด้วยกันถ้าเรารู้ความรู้ทั้งเจ็ดหัวข้อแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ เราจะได้รับความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงความรู้ทั้ง7จหัวข้อนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่ก็คือส่งสอนให้รู้เหตุข้อที่ 2, สองส่งสอนให้รู้ผลข้อที่สามสงสอนให้รู้ตนข้อที่สี่สงสอนให้รู้บุคคลข้อที่ห้าส่งสอนให้รู้สังคม ข้อที่6ทสงสอนให้รู้กาลเทศะและข้อที่7ท็งสอนให้รู้จักประมาณนี่คือสิ่งที่เราควรจะศึกษาทําความเข้าใจแล้วปฏิบัติตามให้ได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้เราก็จะเป็นพระอาหารหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นคนดีได้ เป็นคนมีความสุขได้เป็นคนที่เจริญอย่างแทจ้จริงได้อยู่ที่ความรู้เจดหัวข้อนี้เองข้อที่หนึ่งทรงสอนให้รู้เหตุก็คือทรงให้รู้ว่าเหตุนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ นี่ออกมาจากเหตุไม่ว่าจะเป็นความเจริญหรือความเสื่อมก็ออกมาจากเหตุไม่ว่าจะเป็นการสรรเสริญหรือการตำหนิติเตียนก็มีเหตุเป็นต้นเหตุนั่นเองดังนั้นเราต้องศึกษาให้รู้ว่าเหตุชนิดต่างๆนี้เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อเราจะได้แยกแยะได้เพราะเราต้องการผลผลนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องรู้เหมือนกันข้อที่สองทรงสอนว่าให้รู้ผลคือให้รู้ว่าผลนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผลมาได้อย่างไรผลมาได้ด้วยความอยากได้เฉยๆหรือผลมาได้ด้วยการเจริญเหตุด้วยการบำ ร, รุงเหตุ ทางศาสนาพุทธทรงสอนว่าผลนั้นต้องมาจากเหตุไม่ได้มาจากการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การขอนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเหตุเหตุนี้ต้องเป็นการกระทําการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจนี่คือเหตุและเหตุที่สําคัญทั้งสในในทั้งสาม น, นี้ก็คือ การกระทําทางใจเพราะใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าของเหตุทั้งหมดถ้าไม่มีใจแล้วจะไปทําเหตุทางกายทางวาจาไม่ได้เช่นคนตายเวลาตายไปแล้วนี้ไม่มีใจอยู่กับร่างกายคนตายนี้ไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถพูดอะไรได้ ทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีต้องมีใจใจนี้จะมีอยู่กับคนเป็นอย่างพวกเราเท่านั้นและใจนี้จะเป็นผู้สั่งการใจจึงเรียกว่าเป็นต้นเหตุเป็นมหาเหตุเป็นประธานใจสั่งการแล้วก็จะไปสู่การกระทำทางวาจาและทางใจเช่นขณะนี้ใจให้สั่ง ให้พูดเรื่องธรรมะให้แก่ญาติโยมก็สั่งออกมาแล้วก็พูดมาตามปากออกมาเป็นเสียงให้ญาติโยมได้ฟังกันนะการคิดที่ดีก็จะทำให้มีการพูดที่ดีการกระทำที่ดีเช่นให้คิดให้พูดเรื่องที่เป็นสาระเช่นพูดเรื่องธรรมะอย่างนี้ เป็นต้นเพราะธรรมะนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีโทษกับใครเป็นเหมือนยาที่จะรักษาโรภาคภัยไข้เจ็บให้หมดไปจากร่างกายธรรมะของพ่อพระพุทธเจ้าก็เป็นประโยชน์ทำให้ผู้ได้ยินได้ฟังธรรมนั้นสามารถกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ ให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นถ้าคิดว่าคิดอยากจะพูดธรรมะอย่างนี้เรียกว่าเป็นกุศลเป็นความคิดที่ดีเป็นเหตุที่ดีขอให้เราคิดแบบนี้เพราะเมื่อเราคิดแบบนี้แล้วเราก็จะทาจะพูดในสิ่งที่ดีจะพูดเรื่องธรรมะจะทาแต่เรื่องธรรมะเช่นเรื่องศีลอย่างที่วันนี้ญาติโยมได้มาสมาทานกัน คือศีลห้าศีลห้านี้ก็ออกมาจากธรรมะออกมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคิดวันนี้ว่าเราอยากจะรักษาศีลกันแล้วเราก็มาสมาทานศีลกล่าวด้วยวาจาเมื่อกล่าวแล้วเราก็ต้องมีสัจจะคือมีความจริงใจไม่ใช่กล่าวแต่ปากลอยๆยไปเป็นลมปากเฉย แล้วก็ไม่ดูแลไม่รักษาศีลเมื่อรักษาเมื่อสมาทานแล้วเมื่อบอกแล้วว่าจะรักษาศีลห้าข้อก็ต้องรักษาให้ได้ทีนี้จะรักษานานเพียงไรก็อยู่ที่เราจะกำหนดจะรักษาเพียงวันนี้วันเดียวก็ได้หรือจะรักษาทุกวันก็ได้หรือจะรักษาเฉพาะตอนที่อยู่ในศาลานี้ก็ได้ พอออกจากศาลาแล้วก็ไปซื้อเหล้ามาดื่มอย่างนี้ก็ได้ไม่มีใครว่าไม่มีใครห้ามแต่ต้องรู้ว่าผลคือความเจริญที่เกิดจากการรักษาศีลนี้ต้องอยู่ที่การรักษาไปนานๆถ้ารักษาเพียงเดียวเดียว mm. ก็เหมือนกับปลูกต้นไม้เพียงห้านาทีแล้วก็ถอนออกมาจากดิน ต้นไม้ก็จะไม่มีทางที่จะเจริญ ง, งอกงามออกดอกออกผลให้แก่เราได้อา น, นิสงส์ของศีลที่เราจะพึงได้รับก็จะไม่เกิดถ้าเรารักษาเพียงชั่วที่เราอยู่ในศาลานี้พอออกจากศาลาไปแล้วเราก็ถอนมันออกจากดินถอนมันออกมาจากใจของเราไม่คิดที่จะรักษาต่อไป อย่างนี้อั น, นิีสองเช่นสี่เลนะสุขติมยันติคือสุขติที่จะพึงได้ก็จะไม่เกิดขึ้นสุขตินี้หมายถึงภพของมนุษย์ภพของเทวดาภพของพรหมภพของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ก็จะไม่ได้เป็นผลที่เราจะได้รับกันแต่ถ้าเรารักษาสิงไปเรื่อยๆไม่ให้ขาด รักษาไปตลอดชีวิตแล้วก็บำเพ็ญปฏิบัติทำข้ออื่นด้วยรับรองได้ว่าสุขตินี้จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนนี่คือการรู้เหตุและรู้ผลขอให้รู้ว่าเหตุก็คือการกระทําทางกายวาจาใจและมีการกระทาสองแบบทําดีทําชั่ว ถ้าคิดดีก็จะพูดดีทำดีถ้าคิดชั่วก็จะพูดชั่วทำชั่วเมื่อทำไปแล้วผลก็จะตามมาถ้าคิดดีพูดดีทำดีความสุขความเจริญก็จะตามมาถ้าคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วผลชั่วคือผลที่ไม่ดีก็จะตามมาเป็นกฎธรรมชาติ เหมือนกับกฎของฝนฟ้าต่างๆฝนตกขึ้นได้อย่างไรฝนตกเพราะว่ามีน้ำละเหยขึ้นไปไว้ในท้องฟ้าเ <c oughs> มื่อมีน้ำหนักรวมกันมากแล้วก็จะตกลงมาเป็นฝนไม่มีใครไปปฏิเสธกฎนี้ได้ว่าจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีใครไปห้ามได้ตาบใดถ้ามีน้ำละเหยขึ้นไปในอากาศ ตราบนั้นก็จะต้องมีฝนตกลงมาตราบใดที่มีเหตุตราบนั้นก็ต้องมีผลตราบใดที่มีการกระทำดีทำบุญทำกุศลตราบนั้นก็ต้องมีความสุขความเจริญตามมาตราบใดที่มีการทาความชั่วทาบาป ท, ทากรรมตราบนั้นก็จะต้องมีความเสื่อมความทุกข์ตามมานี่เป็นกฎตายตัว จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่สำคัญสำคัญว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นถ้าทำแล้วจะต้องมีผลตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญเราอย่าไปเสียเวลาอธิษฐานขอจากคนนั้นขอจากคนนี้ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆขอไปจนวันตายขอไปอีกร้อยพบพันพบ มันก็จะไม่ได้ผลเพราะมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ผลที่เราปรารถนาเกิดขึ้นผลที่เราปรารถนานั้นต้องเกิดจากการกระทำของพวกเราอย่างที่เรามากระทำกันในวันนี้เรากำลังสร้างเหตุเรากำลังเจริญเหตุเพื่อให้ผลเกิดขึ้นตามมาผลที่เกิดขึ้นในขณะนี้เราก็ได้รับแล้วบางส่วนก็คือความสงบของใจ ความสุขใจความเบาใจที่เกิดจากการได้ให้ทานที่เกิดจากการได้รักษาศีลที่เกิดจากการฟังเทศนฟังธรรมใจของเรามีความสุขแล้วได้ผลแล้วส่วนผลอย่างอื่นที่มาจากภายนอกนั้นก็จะตามมาทีหลังเช่นถ้าเราตายไปเราก็จะได้ไปสู่สุคติถ้าเราปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น เราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานได้เกิดจากการกระทาของเราทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ดีให้เราศึกษาเพื่อเราจะได้เอามาใช้เป็นแบบเป็นฉบับเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านดำเนินชีวิตของท่านอย่างไรท่านสร้างเหตทุท่านสร้างเหตุอย่างไร <c oughs> เราก็ต้องน้อมเอามาปฏิบัติตามท่านให้ทานอย่างเต็มที่ท่านมีสมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรท่านก็สละไปหมดไม่เอาติดตัวไปเลยออกจากบ้านออกจากเรือนออกจากวังแล้วก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามสถา น, ถานที่สงบสงัดวิเวกแล้วก็รักษาศีลแล้วก็จเจริญ สมาธิและปัญญานี่คือแบบฉบับของการทำความดีเลิศเป็นอย่างนี้ถ้าเราต้องการผลดีเลิศเราก็ต้องทำอย่างนั้นถ้าเรายังไม่สามารถทำทาผลที่ดีเลิศได้ก็อขอให้ทำผลที่ดีรองออกม า, มาเช่นเราอยากเป็นคนดีอยากมีฐานะการเงินการทองที่ดี ก็ขอให้เรามีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินให้มีความซื่อสัตย์สดจริตอย่าหาเงินทองมาด้วยวิธีที่ผิดศีลผิดธรรมอย่าไปทำมิจฉาชีพต่างๆเช่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราปรารถนากันขอให้หามาด้วยความซื่อสัตย์สดจริงไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำมาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนอดกลั้นแล้วก็เก็บออมเงินทองที่หามาได้ไว้ไม่นานเราก็จะเป็นคนรวยขึ้นมาได้เราก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้เพราะเมื่อเรามีเงินเหลือกินเหลือใช้เราก็เอามาทำบุญเอามาช่วยเหลือพุ่นมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือเป็นควะหรือเป็นเดรัจฉาน บุคคลต่างๆเหล่านี้เขารอการช่วยเหลือของเราอยู่เขาเป็นเหตุที่จะทําให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลได้มีความสุขใจได้มีความเจริญถ้าเรามีเงินแล้วเราไม่ได้ทําบุญใจของเราจะมีความแห้งแล้งจะมีความรู้สึกว่าขาดอะไรไปเหมือนกับขาดอาหารเพราะบุญกุศลนี้คืออาหารของใจนั่นเอง เวลาเราทำบุญให้ทานเราได้ช่วยเหลือใครแล้วใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจเพราะเราได้ให้อาหารแก่ใจนั่นเองนี่คือเรื่องของเหตุและของผลที่เราควรที่จะศึกษาแล้วพยายามปฏิบัติตามเหตุที่ไม่ดีก็อย่าไปทำเช่นอบายามุกต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นเหตุไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดคร้านเหล่านี้เป็นเหตุที่จะพาไปสู่ความเสื่อมพาไปสู่อบายพาไปสู่การทําบาปทํากรรมต่อไปเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเรายังเกี่ยวข้องกับเหตุเหล่านี้อยู่เช่นถ้าเรายังเสพสุรายาเมาอยู่ วันนี้เป็นวันพระเรามาละเว้นกันอย่างน้อยสักวันหนึ่งก่อนเป็นตัวอย่างทดลองดูว่าไม่ดื่มกับดื่มนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันไม่ดื่มแล้วก็ไม่เมาไม่เสียเงินเสียทองไม่เสียเวลาไม่เสียสุขภาพไม่เสียสติเวลาดื่มแล้วก็เสียสติเสียสุขภาพเสียเงินเสียทองเสียเวลา ทำไมไม่ลองเปรียบเทียบกันดูว่าส่วนไหนดีกว่ากันถ้าใช้สติปัญญาค่าควรคิดแล้วก็จะต้องเห็นว่าการไม่ดื่มสุรานี้ดีกว่าการดื่มคนดื่มสุราแล้วเป็นอย่างไรเวลาเมาเสียสติไปแล้วเป็นอย่างไรอยู่ใกล้ใครได้ไหมคนที่เขารากเราขนาดไหนเขายังอยู่ใกล้เราไม่ได้เลย เพราะเขากลัวเราจะอลวาดกลัวเราจะทุบตีเพราะเมื่อไม่มีสติแล้วก็จะมีอารมณ์ไม่ดีตามมาและเมื่อมีอารมณ์ไม่ดีก็มักจะระบายออกมาด้วยวาจาที่หยาบกคายและการกระทําที่สร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเราต้องคิดถ้าเราอยากจะเจริญก้าวหน้าเราอยากจะมี เป็นมีปัญญาเป็นคนฉลาดเราต้องรู้จักคิดเราต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าสอนให้คิดคือต้องคิดแบบเหตุและผลอย่าไปคิดตามอารมณ์ถ้าอารมณ์นี้มันหลอกเราพอเราเห็นอะไรดีปับ๊บเราชอบปับ๊บเราก็บอกว่ามันดี ท, ทันทีอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการคิดด้วยเหตุด้วยผลเช่นเราเห็นสุราเห็นเหล้าแล้วเราอยากจะดิ่มขึ้นมาทันที เราก็ว่าดีทันทีอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดด้วยเหตุด้วยผลต้องถามตัวเองว่าสุรานี้มันเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อจิตใจและร่างกายของเราเราดูตัวอย่างได้คนที่ดื่มสุรามากๆแล้วเป็นอย่างไรเป็นโรคตับแข็งเสียชีวิตไปก่อน อ, อายุที่ควรจะเป็นไปแล้วก็เสียงานเสียการ ทำงานไม่ค่อยได้เต็มที่เพราะเวลาเสพสุราจนเมาแล้วเวลาจะตื่นไปทำงานก็ตื่นไปไม่ไหวก็ต้องลางานลาบ่อยๆเดี๋ยวก็ต้องถูกเขาตำหนิหรือถูกเขาไล่ออกแล้วขณะที่ดื่มน้อมุนเมาไปทำอะไรขึ้นมาก็จะสร้างความเดือดร้อนไปขับรถก็จะไปสร้างความเดือดร้อนไปสร้างอุบัติเหตุ ไปคุยกับใครก็มักจะไปทะเลาะวิวาทกันนี่คือโทษของสุราเราต้องคิดเราอย่าอย่าปล่อยให้ทำตามความชอบเพราะความชอบนี้เป็นเรื่องของความหลงไม่ใช่เป็นความจริงคนเราทุกคนนี้ที่ทำสิ่งที่ไม่ดีกันก็เพราะความหลงพาไปที่เล่นการพนันที่ไปเที่ยวกล่ำคืนที่มีความเกลียดคร้าน เพราะมีความหลงพาไปไม่ได้มีความจริงพาไปไม่มีเหตุมีผลไม่มีปัญญาพาไปถ้าคิดแบบด้วยเหตุคิดด้วยผลหรือถ้ารู้เหตุรู้ผลแล้วเรื่องอบายมุขต่างๆเหล่านี้จะไม่มีใครไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดเพราะมันเป็นเหมือนยาพิษนั่นเองยาพิษนี้มีใครอยากจะไปดื่มบ้าง มีคนบ้าหรือคนเสียสติเท่านั้นที่จะไปดื่มยาพิษเช่นคนที่คิดฆ่าตัวตายนี้ถือว่าเป็นคนเสียสติแล้วเป็นคนที่เป็นคนบ้าไปแล้วถึงกล้าไปดื่มยาพิษดื่มก็ไปแล้วทำอย่างไรเกิดอะไรขึ้นมาก็มีแต่ฆ่าตัวฆ่าชีวิตของตนเองที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่ตัวเองรักมากที่สุด มีใครจะรักอะไรมากกว่าชีวิตของตัวเองจะว่ารักสามีรักภรรยารักพ่อรักแม่มากกว่านั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีใครบ้างกล้าที่จะสละชีวิตให้แก่พ่อแก่แม่ให้กับสามีหรือภรรยาไม่มีใครกล้าสละมีแต่จะคิดว่าจะรักษาชีวิตของตนไว้อย่างไรถึงกับบางทีจะต้องฆ่าผู้อื่นก็ยอมเพื่อป้องกันชีวิตของตนเอง แต่นี่อยู่ดีๆก็มาคิดฆ่าตัวเองอย่างนี้เขาเรียกว่าคนเพี้ยนคนเสียสติคนไร้สติไร้ปัญญาเพราะถูกอารมณ์ครอบงำถูกความหลงครอบงำเพราะความทุกข์กำลังเบียดเบียนจิตใจเลยคิดว่าถ้าฆ่าตัวตายแล้วจะได้หนีจากความทุกข์ไปได้แต่ไม่รู้ว่าความทุกข์นี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ความทุกข์นี้มันอยู่ที่ใจร่างกายตายไปแล้วความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็ไม่หมดไปมันก็ยังอยู่ในใจอยู่เหมือนไฟไหม้บ้านของเราแล้วเอาน้ำดับเพลิงไปดับบ้านของคนอื่นอย่างนี้ดับไปยังไงไฟของเรามันไฟที่ไหม้บ้านเรามันก็จะไม่ดับถ้าอยากจะดับไฟที่ไหม้บ้านเราเราต้องเอาน้ำมาดับไฟที่บ้านของเราถ้าเราอยากจะดับความทุก ที่มีอยู่ในใจจนที่เราคิดว่าทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องเอาธรรมะมาดับเพราะธรรมะนี้เป็นน้ำดับความทุกข์ภายในใจได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาม า, มาปฏิมาปฏิบัติกับใจของเราเช่นเราเศร้าโศกเสียใจเรื่องอะไรก็ขอให้คิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาสูญเสียอะไรไปมากขนาดไหนก็ตามเราก็ยังมีสิ่งที่วิเศษอยู่คือเรามีร่างกายมีชีวิตอยู่เรามีใจอยู่ถ้าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราก็จะดับความทุกข์ความไม่สบายใจได้เราไม่ต้องค่าตัวตายแล้วเราสามารถเริ่มต้นชีวิตของเราใหม่ได้วันนี้เราไม่มีอะไร แต่เรายังมีร่างกายที่เราสามารถที่จะทําอะไรต่างๆที่เราอยากจะได้ได้อยู่นี่คือวิธีที่แก้ปัญหาที่แท้จริงต้องใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์แล้วก็มักจะฆ่าตัวเองหรือฆ่าผู้อื่นแต่ถ้าใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลแล้วก็จะไม่ฆ่าใครจะไม่ไปเบียดเบียนใครจะไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ใคร แต่จะมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจด้วยการปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาคนเราถ้ายอมรับความจริงว่าโลกนี้มันเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่เราจะสามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามใจของเราได้เรายอมรับความจริงข้อนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางได้ เสียอะไรไปก็เสียไปไม่เป็นไรหาใหม่ได้เสียภรรยาไปก็หาใหม่ได้เสียสามีไปก็หาใหม่ได้เสียรถไปก็หาใหม่ได้เสียอะไรก็หาใหม่ได้ทั้งนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญามีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนอดกลั้นไม่นานเราก็จะได้สิ่งที่เราอยากได้กลับมาใหม่ดังนั้นเราจึงต้องรู้เหตุและรู้ผล อย่างที่ได้แสดงในวันนี้ขอให้เรารู้สิ่งเหล่านี้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาละเทศะรู้ประมาณแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรานั้นจะดำเนินไปสู่ความสุขและความเจริญโดยถ่ายเดียวอย่างแน่นอนเนื่องจากวันนี้มีเวลาไม่นานจึงไม่สามารถที่จะขยายความ เกี่ยวกับเรื่องการรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะและรู้ประมาณได้ก็เลยต้องขอจบตรงที่รู้เหตุรู้ผลไว้ก็แล้วกันโอกาสหน้าถ้ามีเวลาใหม่ก็จะได้พูดต่อการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้